أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا للظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله ملك الحمد حتى ترضى و ل, ل ك, ك ا ل الحمد إ ذ ا رديد و ل ك ا ل الحمد بدأ رضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن ن ب ي محمد أبد ورسول أرسله الله ب ا ل ه د, د, ه ه على د ه ل ا ودين الحق لجذهره ع ل ى دين كله ولو كه الكافلون وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصع الأمة وجهاد في ا لقته هذه ف ج ز ا ه الله أن ه و عن أمتى قر ما تزاه نبيا الأمة الله ما أتي نفوسنا تقوىها و ز ك ه ا أنت قرما ز ك ا ا أ أ ه ا ه أنت وليها ومولاها أما بع سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ب ل ت و ي ر ن ح ي ا ดนยา والآكيرة خير و ครับพี่น้องที่รักยิ่งครับกลับมาพูดคุยกันต่อในส่วนของการอธิบายอัลกุรอานในสุราะอัลอาลานะครับผมซึ่งก็น่าจะเป็นสราะสุดท้ายในช่วงนี้ของเราเกี่ยวกับเรื่องของอธิบายกรุรอานก่อนที่เราจ ะ, ะย้ายกลับไปในส่วนของพระนาม การสุขภาพด้ามันภัยจิตของโพลล์ล็อตซูบานั่งวัตอาลานะครับผมพี่น้องที่รักยินครับโพรล์ได้กล่าวว่าถึงสัจธรรมที่น่าสะพึงกลัวเป็นความจริงที่น่ากลัวเป็นความจริงที่พวกเราเผอภัยเป็นความน่ากลัวที่อยู่ในรูปแบบของความสะดวกสบายเหมือนกับที่ออซอบ์บาได้พูดไว้นะครับว่าในช่วงแรกนะั้นเราถูกระสอบด้วยกับความ ทรมานด้ยวยกับความอดอยากเราสามารถอดทนกับมันได้แต่เมื่อเราถูกทดสอบด้ยวยกับความสะดวกสบายเราก็ไม่สามารถที่จะทนกับมันได้นะครับผมความสะดกสบายนั้นใครๆก็มองว่าคือความโปรดปรานคือความเมตตาคือสิ่งที่ดีงามทั้งทั้งที่ว่าบางทีมันอาจจะเป็นใบมีดที่อาจไว้ซึ่งน้ําพึ่งนะครับผมซึ่งกว่าเราจะรู้ตัวมันก็อาจจะสายไปแล้วพวระลักษมณ์ตาไรกะเลกุระในสุร อลาอลานะครับอายะที่16นี้นะครับว่าแต่ถ้าว่าพวกเจ้ากลับเลือกใช้ชีวิตเพียงเพื่อโลกนี้มุสลิมเราเราได้ยินคําพูดบ่อยครับคําพูดที่บอกว่ามุสลิมเป็นคนสองสองโลกนะเราออทั้งดุนยาแล้วเราก้าออกทั้งอคะคียารคันี้เป็นคําพูดที่เราได้ยินบ่อยมากครับแต่เราจะพบว่าในชีวิตประจําวันถ้าเกิดเราเทียบ อ, อัตาส่วนอัตาส่วน ของคนที่บอกว่าเราเอาทั้งดุนยากับเอาทั้งอาคีร์้อเนี่ยเราจะพบว่ามันเป็นอัตราส่วนที่ที่ที่ไม่งดงามครับอัตราส่วนที่ค่อนข้างจะแย่มากถึงแย่มากที่สุดเพราะถ้าเกิดเราดู24ชั่วโมงใน24ชั่วโมงเนี่ยตัดเรื่องของการพักผ่อนไปเลยสัก8ดชั่วโมงหรือสิชั่วโมงก็ได้แล้วก็เหลือประมาณ16ชั่วโมง ใน16ชั่วโมงเนะี่ยเราจะพบว่าดุญยาเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับอาร์เคโรสเนี่ยอัตราส่วนบางทีอาจจะเป็น1ต่อ10หรือมากกว่านั้นหรือมากกว่านั้นก็คือดุญยาเราทุ่มสิบอาร์เคโรสเราอย่างมากก้นหนึ่งในแต่ละวันนั่นสำหรับบุคคลที่เขาบอกว่าเขาอยู่ดุญยาเขาแค่ผ่านๆเฉยเขาอยากได้อาเครเขาอยากได้สิ่งที่ ตลอดการเขาอยากได้การตอบแทนที่มันเกินจินตนาการเขาอยากได้บ้านที่ไม่มีการผุพังเขาอยากได้เลือกสวนไร่นาที่แบบว่างดงงามมีแต่อาหารที่เกินจินตนาการมีทานน้าที่ไหลผ่านมีความสะดวสบายเกินดุนยาทั้งหมดรวมกันแต่เรากลับใช้เวลาน้อยเหลือเกินเพื่อแอคเคร์รอแล้วเราก็ใช้เวลามากเหลือเกิน กับดุนยาที่เราอยู่ในแต่ละมิติในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการหาเลี้ยงชีพในเรื่องของการพักผ่อนในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของสิ่งที่ไร้สาระทั้งหมดและหมดไปกับดุนยาบัลตุซิรูนละหยาตัดดุนยาผมจะว่าเป็นสัตธรรมที่น่ากลัวเป็นสัจธรรมที่น่าสะพนกลัวที่พวกเรานั้นเลือกใช้ชีวิตเพียงเพื่อโลกหนีเวลอาครตุคอยรูอับอ ก, กอทั้งทา ง, งที่โลกหน้านะั้นมันดีกว่าและมันอยู่ ตลอดการอย่างแท้จริงเราพูดในมุมมองของมุสลิมกันเราพูดถึงตัวพวกเราเองก่อนพี่น้องที่รักที่นครับบัลตุเซรูบั ล, บลในที่นี้เรียกว่าเป็นบัลอิฟติดาอียะก็คือเป็นบั้นที่แสดงให้รู้ว่าเป็นการปฏิเสธความหมายที่อยู่ข้างหลังแล้วก็ไม่มีความเกี่ยวพันกับข้างหน้าไม่ได้โยงกับข้างหน้าแต่คือเป็นการบอกรู้ว่าแต่เท่าว่า หลังจากที่เราพูดถึงสิ่งต่างๆทั้งการตอบแทนทั้งการลงโทษทั้งสิงที่พวกเรากําลังจะต้องไปเจอมันเนี่ยพุลอบอกว่าบัลตุซิรุนัละขยะตะตุนยาหลังจากที่พุทล้อพูดถึงเรื่องของการขัดเกลีจิตใจใช่ไหมครับผมก็อฟลามันตาซ่กแกว้วดารกลอสมาร์ีฟัสแล ะ, พ, ลและพูดถึงผู้ที่ขัดเกลีผู้ที่ได้รับชัยชนะพูดถึงอะไรก็ตามแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นครับผู้ที่อยากได้รับการขัดเกลีอย่างพวกเราเนี่ยก็มาติดตรง เบลตุซีรูนั่นแหละขยันตัดดุนยาเราเลือกที่จะแลกเปลี่ยนอาคิร้อนเดียวกับการทุ่มเทให้กับดุนยาหรือเราหวังน้ําบ่อหน้าเราไม่สนใจน้ําบ่อหลังทึ่มันใหญ่กว่ามันเกินจินตนาการกว่าเพราะมันรู้เราเป็นแบบนี้มันรู้เราถูกสร้างมาให้ใจร้อนให้ใจด่วนให้อยากได้เลยก็ตามที่อยู่ต่อหน้าเราเคยยืนภาซิตว่ า, าไม่เห็นการลอก อย่าโกงหน้าไม้ใช่ไหมครับผมก็คือเหมือนกันว่าร้อยมันชัวร์ก่อนแล้วค่อยเอาเอาอะไรที่มันชัวร์วก่อนคืออย่าไปหวังน้ําบ่อหน้าอันนี้คือประโยค์ที่เราเมื่อกี้แรกเจอกันแต่ว่าพี่น้องที่รักคําว่าอย่าไปหวังน้ําบ่อหน้าคืออย่าไปหวังอะไรที่มันเลื่อนลอยอย่าไปหวังอะไรที่มันไม่แน่นอนเอาของแน่นอนไว้ก่อนอันนี้โอเคถูกต้องเป็นคําพูดที่ถูกแต่กับอาร์เคียร์ o, มันมีอะไรที่ไม่แน่นอนอีกหรอพี่น้อง ยังมีอะไรที่ไม่แน่นอนสาหรับเรายังมีอะไรที่เลื่อนลอยสาหรับเรายังมีอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงสาห ร, รับเราไม่ใช่พี่น้องมันเป็นอะไรที่มันชัดเจนดีกว่าแน่นอนในทุกมิติแล้วมันคงอยู่ตลอดกาลแน่นอนบัลตุสีรุ น, นหายาตุญยาพี่น้องที่รักยิ่งครับการอ่านอัลกุรอานเนะี่ยรอการไข้ควรเนี่ยการพยายามอ่านแล้วก็ทุ่มเทให้ให้ให้ความสมาคัญกับการอ่านอัลกุรอานเนะี่ย จะเป็นการเพิ่มความตักกว่าเป็นการเพิ่มความผู้ชัวความเกรงกลัวให้กับหัวใจทุกหัวใจที่ได้อ่านหรือทุกหัวใจที่ได้ฟังเพี่น้องจำได้ใช่ไหมนึกของอิมาบุคคลีมามุสลิมจากท่านอับดุลลาบินมัสยิดเนี่ยที่ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยท่านก็อยู่ใกล้ใก้ท่านนบีมุสลิมรออยู่สำหรับท่านนบีก็บอกอีกน้อมัสยิดอ่านกุรานให้ชั้นฟังหน่อยอ่านอัลกุรานให้ชั้นฟังหน่อยเพราะเวลาซอฟบ้าก็อย่างที่รู้แน่นอนครับเวลาอ่านก็ต้องทุ่มเทต้องมีพิธีพิธันต้องปราณีตในการอ่าน อ่านด้ยวยความเกรงกลัวต่อหรอท่านนาบีมศสละก็บอกว่าไงครับอิบนะ ม, มัสยิดอ่านให้ฉันฟังหน่อยท่านนาบีมศัศสละครับเมื่อพูดเสร็จครับพี่น้องคิดดูท่านนบีคือใครท่านนบีคือผู้รับวะฮีโดยตรงมีใครเข้าใจกุรานมากกว่นนานบีไม่ไ ม, ไม่มีพี่น้องมีใครจะอ่านได้ดีกว่านาบีไม่ไ ม, ไม่มีพี่น้องแต่ท่านนาบีมศสละกลับบอกกับท่านอับดุลลาบินมัสยิดว่าอ่านกุรานให้ฉันฟังหน่อย ท่มูซูบอกกับเบียร์โซ ล, ล้อจะให้ผมอ่านทั้งๆที่กุรานถูกประทานมาให้กับท่านเนี่ยนะครับมันเหมือนกับว่าเรามีน้ําอยู่แล้วเราจะทำตะยามมุมมาพี่น้องอารมณ์ประมาณนั้นเน่ยอย่างที่เราทราบถ้ามีน้ําห้ามทําตะยามมุมฉูกไหมครับถ้ามีน้ําก็ต้อง ท, าอาทําน้ำละมัดถ้ามีน้ําต้องทำน้ำละมาดแต่เนี่ยอารมณ์ทั้งดิว ม, มูซูต์ผมจินตนาการเอาอารมณ์คงจะประมาณว่าท่านเซอร์ ล, ล้อคือมาหาสมุทรแห่งความรู้ท่านได้รับอัลกุราอานแล้วท่าน กลัวล่อมากกว่าใครมีอ إ ي ่านมากกว่าใครมีความผู้ช่วมีความประนีตมากกว่าใครแล้วกลับมาขอให้ท่านอับดุลลอฮ์มะซูลซึ่งแน่นอนเป็นซอบาที่ประเสริฐที่สุดท่านหนึ่งในเวลากลุ่มซอบามาขอให้ท่านที่ประเสริฐที่สุดมาขอให้ท่านที่ประเสริฐน้อยกว่าเนี่ยอ่านเนี่ยท่านอบับดุลลอฮ์มะซูลก็รูร้สึกตกขิตะขวงใจบอกย่ารุสุลลาะอักระว่าอะไรจะอุนซินใช่ผมอ่านให้ท่านฟังทั้งนั้นที่กุลอ า, านถูกพรานไม้กับท่านเลยท่านอับดุลลอฮ์มะซูลสั่บอกยังไงครับ เฝออินนีโอเฮปูอันอ a สาอาอรฉันรักที่จะฟังกุรอาเนี่ยจากการอ่านของผู้อื่นฉันรักมากกว่าที่ฉันจะอ่านเองสุบานอนนี่คือคนดีครับคนดีคือไม่ใช่คนที่แบบว่าฉันเป็นคนเก่งที่สุดในกลุ่มนี้ฉันต้องอ่านทุกคนต้องฟัง อัลกุรอานเป้าหมายเพื่อให้ได้ฟังเพื่อได้พินิษเพื่อได้พีเคาครับเพราะนั้นท่านอบีุลสักนะท่านอัชกาเล่ท่านก็บอกว่าที่ท่านอับี่ยอยากให้ท่านอับดุรเบลมัสซุดอ่านให้ฟังเนี่ยเพราะว่าผู้ฟังกับผู้อ่านไม่เหมือนกันนะผู้ฟังกับผู้อ่านไม่เหมือนกันถูกไหมครับอย่างถ้าเกิดพวกเราเราอ่านเรารู้ไงครับเราไม่ใช่คนอาหลับไงแล้วเราไม่ได้คนเก่งมาจากไหนคือถ้าเราอ่านปุ๊บมีเรื่องต้องระวังเยอะแยะถูกไหมครับต้องระวังเรื่องมัคคาร์รอจต้องระวังเรื่องตัชชูวีต้องนั่นต้องนีคือ ต้องพยายามแล้วก็ไหนจะเป็นทำนองไหนจะเป็นอยากให้อ่านให้ไพเราะอีกเอาไว้ะจะได้รักเราอีกคือสมองเราถูกถูกใช้งานไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับการที่เราจะมาไขขวนได้ไม่ได้แต่มันไม่เหมือนคนฟังอย่างเดียวอะพี่ร้องเห็นด้วยไหมล่ะคือต่อให้เป็นตัวผมเองอะ ถ้าเกิดว่าผมฟังคนอื่นอ่านนะฟังอิหมามอ่านเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะาฟังคนที่เก่งกว่าผมฟังคนที่มีความรู้มากกว่าคนคนที่มีความกูชัวมากกว่าเนี่ยถ้าฟังปุ๊บคือคือเราก็ไม่ต้องไปทุ่มกับเรื่องการอ่านแล้วไงเราก็มีสมาธิเต็มที่ที่จะให้ทุ่มให้กับการทําความเข้าใจกันได้อัธรุษในการรับฟังพ ร, ราะนั่นก็รำคาญบริษัการบางท่านก็บอกนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ว่าทำไมท่านบีมัสเตอัมเนี่ยรักที่จะฟังเวลาคนอื่นอ่านท่านก็จะได้ ทุ่มให้กับการพินิพีคอในขณะเดียวกันครับอัลกุรอานแต่ละคนอย่างที่เราอย่างที่เราเรู้ครับพี่น้องเราหลายๆท่านเนี่ยก็จะชอบเช็คหลายๆเช็คใช่ไหมครับบางคนไอเชชอบเช็คซากอมีบางคนอชอบเช็คสุเดบางคนเอชอบเช็คอวโสเชคชูเลมเชคคุไซฟีใครก็ตาแต่เราแต่ละคนก็ชอบฟังหลายๆเชคถูกไมครับผมแล้วเราก็รู้สึกว่าอารมณ์อารมณ์ต่างกันนะ อารมณ์ต่างกันอา่านเร็วอา่านช้าอา่านแบบกําลังดีอา่านแบบเน้นแต่และท่านจะมีการอ่านที่แตกต่างกันซึ่งต่อให้เป็นสุร้อเดียวกันต่อพห้วิโงจะฟังฟาเทียะแตกจากอิมัมที่แตกต่างกันเนี่ยอารมณ์ก็ต่างกันนะคือความรู้สึกคือสุบรรณเราว่านี่คือความงดงามของอัลกรุรอานคือมุจิสาของกรุรอานที่ว่าเอาคนมาร้อยคนอ่านมันก็จะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน ครับท่านอับดุลลาบินมัซูดอ่านให้ฟังท่านฟังท่านอับดุลย์มัซูดครับก็โอเคท่านก็เลยอ่านสุรนิสฐ์วกเราตัวอลฮิุระนิท่านอับดุลย์มัซูดครับอ่านสุรตันิท่านก็อ่านอ่านอ่านอ่านจนถึงท่านถึงวรที่ว่าฟไกฟาชนามินกุลอุมะตินบิชฮีดิวชนาบิกะอัลาฮอไลชฮดะในสุรนิพออ่านถึงตรงเนี้ยท่านอับดุลลาิมัก็บอกท่านอับดุลย์มัูดว่า หยุดได้แล้วหยุดตรงนี้แหละหยุดตรงนี้แหละท้าโดยมุสลิมท่านก็ก็เงยหน้าไปมองท่านท่นบีเพราะตอนแรกอ่านก็คืออ่านไม่ได้ดูหน้าแต่พอดูหน้าท่านอบีปุ๊บเห็นว่าน้ําตาท่านอับบีกาลังหลังนี่คือการอ่านด้วยการไข้ขวนนี่คือการฟังด้วยการไข้ขวนอายะกรานอยายะนี้มีความหมายเช่นใดทําไมท่านอบีมัสซาดิซัมถึงร้องไห้ด้วยกับการฟังอยายะนี้ถึงอยายะนี้ พี่น้องอายะนี้ครับสอดคล้องกับเรื่องที่เรากำลังพูดคุยกันบัณฑุสิรูนัน้น h a y ตัดดุลยาเมื่อใครก็ตามให้ความสงสากับดุลยาเขาทุ่มไม่กับดุลยาจนลืมอาคีรัตจนไม่สนอาคีรัตผลก็คือโลกแน่สิ่งที่รอเขาอยู่คือความจริงที่น่าสะพรึงกลัวในอายะเนี่ยพวกเราบอกว่าแล้วจะเป็นอย่างไรล่ะเมื่อเราเอาทุกๆุกพยานเนี่ยมาอยู่ต่อหน้าทุกประชาชาติ แต่ละประชาชาติจะมีพยานของเขาอยู่ถูกไหมครับที่เรากล่าวชาดคือเราเป็นพยานพี่น้องย้ำไม่ใช่ปฏิญาณตนนสฉยเราเป็นพยานเลยนบีของแต่ละประชาชาติเนี่ยถูกส่งมาเพื่อเป็นพยานให้กับประชาชาตินั้นๆว่าผัวลอสเาอร์ตราลันเนี่ยได้ให้คําสอนที่ถูกต้องมาแล้วนะได้สอนแล้วนะได้บอกแล้วนะทางเลือกอยู่ที่พวกเจ้าผัวลอสยื่นป้อนให้ถึงที่แล้วนี่คือเป็นพยาน พวกบอกโอเคตอนนี้ปฏิเสธใช่ไหมเหมือนกับกลุ่มก่อนหน้านี้ใช่ไหมเวลาปฏิเสธปุ๊บ ก, ก็อ้างคนกลุ่มก่อนหน้านี้พ่อแม่เราก็เห็นเชื่ อ, อนี่มันเป็นเรื่องปาลัมปาลามาคนโม้มาอะไรมาด่าว่าอิสลามต่างๆนาน า, นานแล้วก็ยึดต่ำมพังหลุดพวะเราบอกว่าโอเคจะเป็นยังไงล่ะจะเป็นยังไงต่อไปล่ะถ้าถึงเวลาเนี่ยแต่ละประชาชาติเนะ่ยเราเอาสักขีพยานมาอยู่ต่อหน้าเขาแล้วสักขีพยานนั้นก็จะยืนยันว่าคําพูดของพวกเราเน้นสัตว์จริงแล้วพวกเราได้บอกพวกเจ้าแล้วแล้วพวกเจ้า ได้ยินแล้วแล้วก็ปฏิเสธแล้วฟะไกฟะวะีนาบิกะอลาฮาอลฮิชะฮดแล้วเราก็จะเอาเจ้าคือมูฮัมหมัดสุลัมมาเป็นสัขีพยานให้กับทั้งหมดหรือทุกบีเพราะท่านนาบีอัลสมเป็นนบีคนสุดท้ายท่านเป็นสัขีพยานให้กับทั้งหมดทั้งนบีอาดามัต่านาบีอาดามมาเผยแผ่แล้วท่านนาบีอัลสุลตัมเจอนบีครบทุกคนแล้วตอนอิสลมมีาราชและท่านก็ได้รับบันทึกท่านได้รับ คัมภี์ท่านได้รับรู้ถึงสิ่งที่นบีก่อนหน้านี้ได้สอนมาทั้งที่อยู่ในคัมพี่ไบเบิลใหม่ทั้งไ บ, บเบิลเก่าในที่มาท่านบัสนีจาแบบพี่บัสนีเมตตาที่มังกินเช้บาบัสนีเมตตาที่ใต้พญาามังกินแกน่ครับซึ่งในที่เนี่ยเมื่อพวกลอสแาร์พูดว่าแล้วท่านนบีจะต้องมาอยู่ในสถานะที่เป็นพยานถามว่าเป็นพยานทําไมครับเป็นพยานให้คุณ หรือว่าเป็นพยานเพื่อเอาเรื่องแน่นอนทั้งสู่ทั้งคู่ก็คือเป็นพยานที่รับรองผู้ศรัทธาคนดีเขาเป็นคนดีนะเขาคือกันเขาให้การรับทําตัวเป็นบ่าวที <S <S ่ดีต่อเลาะนะท่านนบีก็เป็นพยานยาวเลาะซอบา่านีศรัทธาต่อผู้เลาะเสียสละเพื่อผู้เลาะคนนี้ตายฉีดเพื่อพระองค์คนนี้เป็นพยานแล้วก็เช่นเดียวกันเนี่ยคนเนี่ยได้ทําร้ายผู้ศรัทธาได้ทําร้ายบ่าวของพระองค์คนนี้เข้าไปเสียศรัทธาคนนี้ด่าว่าพระองค์คนนี้ได้ตําหนิคนนี้ได้เยาะเย้ยคนนี้ เป็นพยานให้ทั้งหมดเลยแล้วท่านนบีเป็นพยานให้ทั้งหมดในสภาพวันที่มีแต่ความน่าสะเพริงกลัวพี่น้องท่านนบีมศลสลามทำไมถึงร้องไห้นี่คือความเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดของท่านนบีมัศลสลัมท่านกลัวสภาพที่จะเกิดขึ้นแล้วท่านก็เป็นห่วงอุมมะของท่านท่านกลัวแทนพวกเราทุกคนว่าตอนนั้นเราจะเป็นยังไงท่านกลัวว่าถ้าเกิดเราไม่เชื่อฟังท่านถ้าเราเนะ่ยนอกข้อขอขอกไป แล้วถึงเวลานต่ท่านต้องไปเป็นสัก ข, ขีพยานเพื่อให้เรากลงโทษเพื่อให้เราได้รับการลงโทษเนี่ยความรู้สึกของท่านก็ปวดแล้วเพราะขนาดดุนยาเนี่ยเวลามีคนปฏิเสธอิสลามเนี่ยท่านอบดุลบีเนี่ยแทบความเสียใจของท่านเนี่ยแทบจะทําร้ายตัวเองตายหรือพี่น้องดด <c oughs> ท, านนาที่ดูดูว่ท่านอบียร์เศ้าแค่ไหนที่พระกล่าวว่าในซุลักกาฟี่ครับเจ้าแทบจะทําร้ายตัวเอง ในการที่พวกเขานั้นไม่ศรัทธาในคำพินี้ด้วยการที่เจ้านั้นเสียใจอัสสาเจ้าเสียใจมากๆจนแทบที่จะทํำลายตัวเจ้าจนทำใแทบทจะทำให้ทำให้เจ้านั้นต้องเสียชีวิตท่านในบียส ร, ร, รู้จักโพลล้อ ม, มากกว่าใครรู้จักสภาพบางเกียร์มั้ยดีกว่าใครรู้จักสวรรค์ดีกว่าใครรู้จักนรกดีกว่าใครแล้วรู้ถึงความยิ่งใหญ่ความสามารถความรอบรู้ของโพลลัุบาตราลามากกว่าใครท่านเป็นห่วงท่าน กลัวแทนพวกเราท่านก็ได้ร้องไห้ส่วนพวกเราล่ะครับเบลตุซิรูนัลฮายาตัดดุนยาเราเป็นประชาชาติของท่านนบีที่ประเสริฐที่สุดที่รักเรามากกว่าใครรักเรามากกว่าเพื่อนรักเรามากกว่าพี่น้องรักเรามากกว่าพ่อรักเรามากกว่าแม่ของเราเองซะอีกเราได้เป็นอุมาที่ดีที่สุดของนบีที่ประเสริฐที่สุดที่พวกเรารักมากที่สุด แล้วก็ที่ได้รับคําพีที่ดีที่สุดพี่น้องเบลตูซิรูนัลไฮยะตัดดุลยาแต่ก็มากบ่อยครั้งเหลือเกินที่เรานั้นเลือกชีวิตเพื่อดุลยาเราเครียดกับดุลยาเรากลัวกับดุลยาเราเสียใจกับดุลยาเราสนเสียกับดุลยาเราอยากได้ดุลยาเราอยากทุ่มเพื่อดุลย์าเราทุกอย่างดุลยาเบลตูซิรูนัลไฮยะตัดดุลยา พี่น้องที่่ครับท่านอับดุลลอห์บินมัสูดเนี่ยอย่างที่เราคุยกันไปครับท่านอับมัสราซัมเนี่ยให้ท่านอ่านลกแวาให้ท่านฟังซึ่งจนเมื่อท่านอับีมัสราซัมเสียชีวิตไปแล้วอ่ะครับมดอาซาบะมดาตบีเนี่ยพอเจอท่านอับดุลลอ์บินมัสูดเนี่ยก็จะชอบฟังบางท่านก็จะมาขอบอกว่าท่านอับดุลลอ์ครับช่วยอ่านกุรานให้เราฟังหน่อยเพราะขณะละบียังขอให้ท่านอับดุลลอห์อ่านให้ฟังรดาซซาบะก็อยาก อยากให้คนที่อ่านให้นบีฟังเนี่ยอ่านให้เขาฟังด้วยนี่คือความตักวาความรักที่มีต่อลอสุบะฮันอหัวตาละช่วยอ่านให้เราฟังหน่อยก็มีครั้งหนึ่งครับท่านอับดุลลอห์บินอับบาสเนี่ยท่านก็อ่านก็อ่านกุรานให้กับคนที่มาฟังท่านเนี่ยท่านก็อ่านอ่านอ่านอ่านอ่านเมื่อท่านอ่านครับท่านก็อ่านจะถึงซุรออัลอาเล บาลตุสิรูนละหายาตัดดุนยาแต่ถ้าว่าพวกเจ้านั้นเลือกดุนยาแต่ถ้าว่าพวกเจ้านั้นให้ความสำคัญทุ่มเทใจของเจ้านั้นอยู่กับดุนยามากกว่าเมื่ออ่านจะถึนุ่มติงเนี่ยท่านอับดุลลอฮบินมัสอูดเนี่ยท่านก็ได้หยุดท่านก็ได้หยุด บางก็บอกว่าท่านก็ร้องไห้เช่นเดียวกันแล้วท่านก็ถามบรรดาคนที่อยู่รอบข้างอันนี้โดยบริขอยมัมเตอร์เบอร์รี่นะครับผมนี่มัมตอรรี่เลยอัลลท่านอับดุลลอห์บินมัสูดครับท่านถามว่าท่านรู้ไหมพวกคุณรู้ไหมทําไมพวกเราถึงเลือกดุลยากันอ่ะพี่น้องคิดว่าไงทํำไมพวกเราเลือดดุลยากันทํำไมเราทุกข์ไมกับดุลยามากขนาดนั้นบรรดาคนที่อยู่กับท่านอับดุลลอห์บินมัสูดก็บอกว่าไม่รู้ครับ ก็คืออยากได้คําตอบถ้าคนที่อยากได้คําตอบเขาจะไม่รีบตอบอะไรเพราะเขากลัวว่าเขาจะพลาดอะไรดีๆนอกจากเขามั่นใจว่าอาจารย์อยากให้เขาตอบจริงๆครับก็เป็นมารยาทผู้เรียนเขาก็ไม่อยากรู้จริงๆก็บอกไม่รู้ครับก็คือเหมือนเขาไม่รู้อะไรเลยก็บอกมาเลยท่านอยากจะบอกอะไรบอกเรามาเลยท่านดอมูสูส์บอกว่าลีอันดุญยาอูฮ์ดีรัดหวานเจลวัดเจลแลนเต้ามูฮะว่าชรับฮาบริสาอูฮะวลัดดาตูฮะ و و ن ن ว่าเจ ج َตُวหน้าแล้วอ่านอะ่านอ่าอนอ่านอ่านอ่านอ่านَ่านอ่าอนอ่านَ่านอَ่ น, น ون, อ่านอْ่นَนน่านอ่านอนะ่านอ่านอ่านอ่าْอ่านอ่านอ่านอ่านอَ่นอ่านอ่านอ่าอ่านอ่านอ่านอนอ่ารอ่านอานอ่านอนอาน่านอ่นอานอน่านอนอาอ่นนานอนอน่านอานอาอ่นานอานอนนอ่าน่นอ่อ่อนอ่อ่อนอา่นอ่่นน่่นอน มันไม่มีทางไปสิ่งที่งดงามเพอร์เฟกไปได้ดุญญนยาถูกเร่งด่วนให้กับเราไงแล้วเราได้ทุกอย่างของดุนยาไงเราเห็นทุกอย่างของดุนยาเราเห็นอาหารของมันเราเห็นเครื่องดื่มของมันเราเห็นผู้หญิงของมันเราเห็นความ อ, า ร, อร่อยของดุนยาเราได้เห็นความสวยงามล้วได้เห็นสิ่งที่ชวนให้ตะลึงพึงเพลิดในดุนยา โอ้ช่างสวยงามอะไรอย่างนี้โอน้ําตกโอทะเลภูเขาอาหารอริดอร่อยมีมิชลินสามดาวมีอาหารหาร้านที่ฉันกินได้ที่มันอาาร่อยร้านเปิดใหม่ร้านานี้เปิดใหม่นี้เป็นของหวานอันนี้เป็นผลไม้ลากไม้อันนี้คือที่เที่ยวอันนี้คือที่ทํางานอันนี้ผู้หญิงสวยงามมีผู้ชายมีเด็กน่ารักมีเราเห็นแต่ความงดงานที่มันเต็มไปหมดคือเราได้บ้างเราไม่ได้บ้างเราอะไรบ้างไม่ได้บ้างเราก็ ถูกไหมกับมันในขณะที่อคีร์อเนี่ยถูกกั้นไว้กับสายตาของเราคือเรามองไม่เห็นถูกไหมครับแล้วเราเนี่ยก็รักอะไรที่มันด่วนเนี่ยมากกว่าอะไรที่มันจะมาทีหลังนี่คือธรรมชาติของมนุษย์นี่คือธรรมชาติของมนุษย์ อ, รร อ, ษยอะไรที่มันด่วนๆอะไรที่มันได้เลยเราอยากได้ทันทีถ้าเกิดมีคนบอกว่าอา้าวทำงานสิหรือว่าเรียนสิ จะได้มีความรู้จริงๆอ่าไม่อยากเรียนฉันอยากจะฟัดจาว่าฉันอยากจะตอบฉันอยากทุ่มทำอะไรเลยเราใจร้อนเหมือนกันถ้าเกิดมีคนบอกว่าเนี่ยจะให้เงินนะให้สักอ่าตอนเนี้ยถ้าคุณเอาตอนเนี่ยฉันให้เลยหนึ่งแสแต่ถ้าคุณรอได้สักสิปีเนี่ยฉันจะให้สิบล้านส่วนใหญ่ก็ต้องไงครับเอาตอนนี้ก่อนมันชัวร์เอายเอามาให้ตอนนี้เลยอนาคตฉันไม่รู้ฉันตายหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันขอตอนนี้ก่อนเราตุ๊ซีรูนันแหละขยับตัดดุนยาพอพูดถึงดุนยาปุ๊บเราก็ขอเอาไว้ก่อน นี่คือธรรมชาติของเราพี่น้องที่รักยิงครับอยากเห็นแบบอย่างของเตอร์ดับบีโมมัสโอลลอยสลับไหมถ้าพี่น้องยังมองไม่ออกนะว่าเราเลือกดุลยาแค่ไหนถ้าพี่น้องยังมองไม่ออกผมมีฮะดิษที่หวังว่าจะทําให้พี่น้องมองออกเพราะฮะดิษบทนี้ก็ทําให้ผมมองออกว่าผมนั้นก็เลือกดุลยามากขนาดไหนผมก็ลุ่งหนุ่มกดุลยยาขนาดไหน ผมหวังว่าฮะดีษนี้จะทําให้ทั้งผมแล้วกับพี่น้องที่ผมรักทุกคนพวกเรามีสติขึ้นบ้างกับดุ n y a ฮะดีษวันนี้ครับอยู่ในบันทึกขอยมัมบุคอรีแล้วก็อิมามมุสลิมฮะดิษวั น, นี้อยู่ในบันทึกขอยมัมบุคฮรีไกออมามมุสลิมครับครั้งหนึ่งเนี่ยท่านอุมะมัดเป็นคอบตอบทอปท่านได้ไปเยี่ยมท่านอบับดุมฮัมมัดสลาห์ฮอร์เรซสลัมซึก็เหมือนปกติซึ่งท่านก็ไปเยี่ยมท่านอบดแต่ครั้งเนี่ยพอท่านไปเยี่ยมเนี่ยท มีความรู้สึกแบบหนึ่งตอนท่านนบีเข้าแผลท่านนบีมศสลอยอิสลามพอท่านอุมมัดเข้าแผลท่านอาลีก่อนที่จะเข้าไปคือท่านนบีมศลลอยอิสลามนะครับท่านก็กำลังนอนพักอยู่นอนพักอิดกะเนกบนที่นอนของท่านพอท่านอุมมัดมาท่านนบีก็ลุกมาก็ให้การต้อนรับท่านอุมมัดเมื่อเข้าไปดูครับท่านนบีสภาพที่ท่านนบีอยู่ในห้องของท่านนบีในห้องเล็กๆกับพี่น้องห้องที่ว่าพอแค่จะมีใส่เตียงได้แล้วก็มีของเล็กน้อยแค่นั้นเนี่ยท่านพูดว่าไงครับ ที่นอนของท่านนบีมุสลิสลาลามก็เป็นพี่น้ององเป็นที่นอนแบบจักสารแบบหยับหยาป่ะพี่น้องอารมณ์ประมาณนอนบนเสื่อของบ้านเราปัจจุบันเนี่เสือแบบจักสารๆๆนะพี่น้องคือระหว่างที่นอนไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรคุมไม่มีผ้าคุมไม่มีเบาะนุ่มๆไม่มีฟูกไม่มีไม่มีอะไรค <ๆ S 2> ลิปเตียงก็เป็นเตียงเงี้ย น, น, น, นอนก็นอนแบบนั้นซึ่งท่านนบีสลายสลามพอลุกมาท่านอุมัตแต่ท่านอุมัตสังเกตเห็นรอยเป็นริ้วรอยที่สีข้างของท่านนบี เพาะถานบีบางทีก็จะขยับก็จะเห็นสีข้างเห็นอะไรบ้างซึ่งก็มีรอยที่นอนที่ท่านนอนนะพี่น้องที่นอนที่ท่านนบีวัสลายสลัมนอนท่านูมัตนะ์น่ยเห็นริ้วรอยแล้วเห็นว่าเตียงของท่านนบีที่นอนไม่มีอะไรเลยนอกจากจากสารมายังไงก็เป็นแบบนั้นไปเลยแล้วที่ศีรษะของท่านนบีวัสลายสลัมที่ที่ท่านนบีนอนนะครับเป็นหมอนที่ทํามาจากหนังหยาบบาง คือสูงขึ้นมาสักนิดหนึ่งคือมันไม่ได้ให้ความสะดวกสบายมันไม่ใช่เป็นที่นอนแบบที่พวกเรามีที่พอเราเจอเตียมปุ๊บไปกระโดดกรางแขนนอนแล้วก็เด้งดึงอยู่กับมอนที่นุ่มสบายกับที่นอนที่สบายแล้วก็มีความสุขไม่ใช่มันไม่ใช่ที่นอนที่เรียกร้องให้นอนไม่ใช่ที่ดองดินวิญญาณไม่ใช่อะไรแบบนั้นแต่มันมันคือความทรมานที่ได้นอนบุมันน่พี่น้องมันหาความสุข จากการนอนไม่ได้ครัพี่น้องแล้วท่านูมัดก็สังเกตรครับที่เท้าของท่านอาบับดุลโมสลละลอห์ของาอาเลสลาล์มครับก็มีเป็นใช้คาว่าไงดีอ่ะคล้ายๆกับผ้าคุมมันก็มีถึงผ้ากับผ้าคุมอ่ะพี่น้องเป็นเศษที่ทํามาจากใบไม้ใบไม้ที่เขาใช้คือเป็นของจกากสานที่แบบว่าหยาบๆอ่ะแล้วเครื่องประดับ ตกแต่งในห้องท่านอบีมัสลายซัมมีหนังผืนเดียวที่ขึงไว้ที่ผนังเหนือศีรษะท่านอบีคือดูปุ๊บก็คือท่านอบีก็รักความสวยงามเนท่านอบีก็มีการประดับประดาท่านอบีก็รักความสะอาดนี่คือทั้งหมดในห้องค อ, อมาฟต์ดนี่คือทั้งหมดในบ้านของท่านอบีมอมมัสละหลอห้องอะไรฮิวซาลัมที่ท่านอุมัตเห็นท่านอุมัตเห็นแค่นี้เลยคือเข้ามาหาท่านอบีปุ๊บมาเยี่ยมเยินท่านอบีปุ๊บ ก็เท่านลบีกำลังนอนอยู่แล้วท่านลบี้ยก็ลุกมาต้อนรับแล้วก็เห็นเป็นร่องรอยเห็นเป็นอะไรท่านอุมัตพอเห็นครับร้องไห้รอ้รองไห้ท่านละเบี้ยมัสรัดซัมก็แปลกใจก็ อ, อุมัตทาไมมาครั้งนี้แล้วทําไมถึงรอ้รองไห้เห็นดูแล้วก็ร้องไห้ก็คือท่านสังเกตท่านก็ไม่ได้มานั่งเพงิงนั่งอะไรแต่ท่านก็ดูผ่านๆ น, นะครับท่านร้องไห้ครับท่านละเบี้ยมัสรัดซัมพอถามว่าทําไมเจ้าถึงรอ้องไห้เนี่ย ท่านอุมัดบอกว่าอย่ารอสูร ล, ละหละอุรอลลสู ล, ละหละศาสนาของ a l l a เมืองกัสรอกับเมืองกอยซารอย่างที่ เ, เราทราบก็คือเมืองอิลากับเมืองชาม่ะพี่น้องชามก็คือทางอิลากในปัจจุบัน น, นะครับผมเมืองอิรักอีลานเนี่ยคืออันนี้ท่านอุมัดพูดเมืองอิรักอีลานเนี่ยท่านก็รู้ผู้ปกครองเป็นยังไง ก็คือยังเป็นกาเฟตอยู่ในตอนนั้นยังเป็นคนชั่วร้ายเป็นคนจอเล่มเป็นคนอะไรแล้วก็ความเป็นอยู่แบบผาสุขเต็มที่เลยคือท่านมัทท่านพูดได้แค่เนี้ยาาท่านมาเพูดว่าที่กิสโลกับคอยซัดกับสภาพของพวกเขาเนี่ยแล้วท่านเนี้ยเป็นศัตวสนทุดของอัลลอฮ์มีอะไรสูงกว่านี้พี่น้องไม่มีกษัตริย์องค์ใดไม่มีจั ก, กรพรรดิองค์ใดจะมีตําแหน่งสูงไปกว่าทูตจากอัลลอฮ์พี่น้อง ศาสนาทูตของพวกเราสุบาราตระตำแหน่งสูงสุดมีเกียรติที่สุดพวลเราลรักมากที่สุดสมควรได้รับความสะดวสบายมากที่สุดแต่นี่คือห้องที่ท่านอบีอยู่นี่คือบ้านที่ท่านอบีอยู่บ้านท่านอบีมีห้องเดียวเลยแค่นั้นเลยจริงๆเปิดมาปุ๊บก็เป็นมัสยิดก็เป็นมัสยิดในบาวีก็เป็นสุเหราเลยท่านอยู่แค่นี้เลยนี่คือมุรับบีของพวกเรานี่คือผู้ที่สอนพวกเรานี่คือผู้ที่รักเรามากกว่าใคร นี่คือบุคคลที่อัลลอ์รักมากที่สุดท่านอยู่แบบนี้นะครับถ้ารุมัต ก, ก็พูดได้แข่นี้ท่านบีมูฮัมมัดสุลต่านบอกว่าไงครับอามาตัดดาอันตะกูนละฮุมอัดุญยาวานาอัลอาคิรวักนี้วักเดียวพี่น้องเราเราต้องตรวจสอบเตียงให้เยอะขึ้นผมต้องตรวจสอบเตอยงให้เยอะขึ้นพวกเราทุกคนต้องตรวจสอบเตียงให้เยอะขึ้น ท่านอับดุลโมสซาลุสลามบอกว่าเจ้าไม่พอใจเหรอมันไม่ได้ทําให้พวกเจ้ามันไม่ได้ทําให้เจ้าพอใจเลยอุมัตที่ว่าเขาในได้แค่ดุนยาแต่เรานั้นได้ที่อาคีรอแล้วฮุมอาดุนยาว่ลยนะอัลอาคีรอนี่คือบุคคลที่มองเห็นความจริงมองเห็นสัจธรรมมองเห็นข้อเท็จจริงมองรู้ว่าดุนยาพองสอบทั้งแผ่นมีชีวิตอยู่ใช้ประโยชน์ ในส่วนที่มันจะเคลื่อนหนุนให้เราไปอาแครอแล้วความสุขก็มีบ้างท่านอบีมุสลามเป็นผู้ที่แบบมีความสุขปุ๊บใครๆก็รู้ว่าท่านมีความสุขคือท่านแสดงออกชัดเจนท่านโกรธใครๆก็รูว่าท่านโกรธเวลานานๆทีท่านมีอาหารที่อร่อยๆที่ท่านชอบเนี่ยพอมีคนมาเสิร์ฟปุ๊บท่านแสดงออกจากสีหน้าแบบมีความสุขท่านเป็นคนตรงๆแล้วท่านก็อยู่แบบง่ายๆเมื่อเรามาดูการอยู่แบบท่านอบีมุสลามของเหลนสลามพวกเราในเรื่องมากกันเยอะเลย พวกเรากลายเป็นคนเรื่องมากแบบเรื่องมากสุดๆเยอะไปเลยบ้านแล้วต้องอย่างนั้นต้องเป็นนี้ต้องมีเตียงไม่พอต้องมีที่นอนนุ่มๆนะต้องมีหมอนดีๆด้วยนะหมอนบางทีก็อยากไล้เป็นหมอนขนเป็ดมั่งเป็นอะไรมั่งที่มันแบบสะดวกสบายฉันจะได้หลับสบายๆฉันมีผมจะมีตู้เย็นใหญ่ๆฉันมีเครื่องซักผ้าดีๆฉันมีเครื่องอำนวยความสะดวกความสะวกสบายพร้อมพันุแล้วฉันจะอยู่เพื่ออาไรหรอ มันดูเหมือนมันค้านกันในตัวเหมือนกับตอนที่ท่านหญิงฟาติมาเรียลลอันหาลูกของท่านนบีมัสเระสลาเมื่อตอนมหานบีครับที่มากับท่านอาลีมากับสามีของนางเนี่ยมาหาท่านนบีแล้บอกพ่อจ๋าดูมือลูกหน่อยคือมือนางหยาบก้านด้วยกันที่นางต้องทํางานบ้านหนักมากๆเลยนางก็บอกว่าพ่อพ อ, พอจะมีคนรับใช้มไหมพะเวลามีใครมาขออะไรท่านนบีท่านบานบีให้หมดมีคนมาขอคนรับใช้ท่านนบีก็ให้หมดที่ไอ้ชั้ท่านหญิงฟาติมาก็บอกว่าพ่อจ๋าเนี่ยช่วยดูสภาพหน่อย ท่านอับดุลาห์ลต่านรรกับสอนการอ่านดิกรุลลอฮ์ให้กับที่หญงฟาตีมาบอกลูกจ๋าลูกไปดำลึกถิดอัลลอฮ์บอกเท่าไํร่คำ ล, ำลึกไปถามว่ามันตอบโจทย์ไหมลูกกาลังอยากได้ความสะดวกสบายในดุนยาไม่ใช่อยากได้ความสุขสบายแบบเราเลยนะแค่อยากให้ทรมานน้อยลงแต่พ่อกับเตือนสติลูกให้รู้ว่านี่คือดุนยาลูกและนี่คืออามานะของลูกลูกหนีาอามานะไม่ได้เมือ่อเป็นอามานะ ลูกก็ต้องทําให้ดีที่สุดนี่คือสิ่งที่อลอสจะทดสอบนี่คือสิ่งที่อลอสจะสอบสวนลูกนี่คือคนเป็นพ่อท่านนบีอัลสลามรักนิจหญิงฟาติมายิ่งกว่าใครอย่างที่เราทราบและนิจหญิงฟาติมาก็รักท่านนบีมากกว่าใครเช่นเดียวกันแต่นี่คือทางเลือกของคนที่ดีและนี่คืออุมม่มไหมมันไม่แปลกใจครับไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยที่ว่าทําไมสหาบยทําไมยุคท่านนบีอัลสลามถึงเป็นยุคที่สลามเฟื่องฟูที่สุด แล้วทำไมเราถึงเป็นยุคที่ตกต่ำาบลตุซีรูนัลไฮยาต่ ด, ดญญ <c oughs> ตบบุนยาแล ะ, ลละ <c oughs> นี่อีกสาย ร, งง า, นนรายร ง, งานหนึ่ง่ะครับผมนี่อีกสายรายงานหนึ่งจะบอกจำนวนอาจจะต่างกันไปบ้างท่านอุมัต ได้พูดเสริมมาบอกว่าที่ฉันเห็นในบ้านของท่านนับีเาไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรนอกจากที่เห็นสามชิ้นนั่นแหละก็คือมีหมอนซะมีที่รองตรงเท้าซะแล้วก็มีหนังที่แขนมีแค่ตรงนี้สามชิ้นแล้วท่านอุมัดก็มีส่วนหนึ่งที่บอกว่ายรอโซลล์ขอดูอาจากลอสซี่ให้เราได้ริสกีมากกว่านี้เพราะอย่างพวกโรมันพวกอะไรก็ตามเนี่ยพวกนั้นปฏิเสธเอาลอพวกนัยังให้ความเมตตาเลยทาไมพวกลอ จะไม่ให้เราทั้งๆที่เรานั้นกราบไหว้พระองค์ท่านบีก็อย่างนี้แหละท่านบีก็บอกว่าเจ้ามีความเครือบแข็งใจหรืออุมัตพวกเขาอยากเร่งด่วนได้สิ่งที่ดีในดุนยาอาลัลลอ์ก็ให้เขาส่วนพวกเรานั้นเราก็จะได้ในส่วนที่เป็นของพวกเราในอาคีรอบัลตุซิรุนฮัยะตัดดุนยาแต่ถ้าว่าพวกเรานั้นก็เลือกที่จะ ในโลกดุลยาก็ตรวจสอบเตรียมกันให้มากๆครับตรวจสอบเตรียมให้มากๆขออวยพรล้อเมตตาผมแล้วก็เมตตาพี่น้องที่รักทุกท่านขอให้เราเห็นสิ่งที่ถูกเป็นสิ่งที่ถูกแล้วก็ขอให้เราเห็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ผิดครับผมคุณสรนีครับสลามมาอัลกุลสลามตัลลอฮฺบารักาตัวทำดีละบิดยาอติสตติมสลิฮับวะบารอกัลลอฟิกุลเช่นเดียวนครับผมคุณมายุรีสลามาทำดีะจากภูกเก็ตชัดเจนก็อัลกุลสลามตัลลอฮฺบารักาถูครับผู้ชนะยักษ์ครบคอรเลยนะครับผมรับชต่อ ปลายพยากบีชัดเจนครับบาร์โคลฟิกุมครับพี่วณนี้สลามมาครับวารกุลสลามอับุละบารกาตูชัเดียวกับคุณฮัซาด้นะครับเรียนต่อนะครับก็วาริกุลสลามอับบุลละวะบาร์กาตูนะครับผมจากกระจกชัดเจนน้องของพี่สลามมาวารกุลสลามอับบุวละบารกาตูคุณสบายอัลฮามดีลับบาร์กลฟิกุมครับผมคุณคุณอดีนะครับเอ่อให้ควรตามวิธีที่บอกแล้วก็ได้ผลก็ลฮามดีละบขอพวกลเมตตาครับผม คุณจอยนะครับสละมาก็วารีคุณสละมัทรวดลบบราระกาตูคุณลุงอรุณ น, นะครับสละมาก็วารีคุณสละมัทรวดลบบราระกาตูนะครับผมตั้งแต่ที่ผมมีข้อความขอมาทุกท่านด้วยนะครับผมก็อัลกรุรอานมีไว้เพื่อให้พวกเราได้อ่านนะครับแล้วก็ได้ให้พวกเรานนั้นได้ไขควาในสิ่งที่เรามีความสามารถแล้วก็พยายามให้ความสําคัญนะครับอิมานเราอาจจะไม่สามารถรักษาระดับให้อยู่ระดับสูงได้ตลอดเวลาแต่ก็พยายามให้มีสติตลอดเวลาช่วงไหนที่มันลงมากๆก็พยายาม ดึงมันขึ้นมานะครับผมขอผู้ล้อมีตาพวกเราครับแน่นอนดุลยาเราก็ยังต้องอยู่กับดุลยาต่อไปเราก็ต้องพยายามทําในส่วนของดุลยาเพียงแต่ว่าขออย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วเป้าหมายที่แท้จริงของเราคืออาคิร์ครับระวังอายักุรานอายาที่น่าสะพงกลัวอายานี้ให้ดีๆที่โบลล์กล่าวว่าบัลตุซีรูนัลหายาตัดดุลยาแต่ถ้ว่าพวกเจ้ากับเลือกใช้ชีวิตเพียงเพื่อโลกนี้ครับ أقولوا ل ي هذا وسقفو الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذم سقفو ا إنه قفورهم س ب ر ا ل َ م ا ي ح م د ك َ أ ش ه د و ا ل ل ه ل ا إ ل ه إ ل ا أ ن ت أ س ق ف و ع ط ب ل ك ف و َ ك ي ب ْ ن و ن ل َ ق ب ْ س َ ر م و ر ِ ك ه ب َ ا ل ل ه و ب َ ر َ ك َ ت ه خ َ ب